สรรพหธรรมิกและอุบาสกอุบาสิกาผู้เจริญทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมฟังธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จและสัมมาสัมพุทธเจ้าในการฟังธรรมขอให้กำหนดรู้จิตของตนเองอย่าไปสนใจกับเสียงที่พระเทศ ให้กำหนดรู้จิตของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าในขณะใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังรู้กันอยู่แม้เราตั้งใจกำหนดรู้จิตของเราเท่านั้นสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลล่นกายและใจเราย่อมรู้อยู่ดี รโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ากายเป็นเครื่องมือของใจหรือกายเป็นเครื่องมือของจิตธรรมชาติของจิตดวงนี้เป็นธาตรู้ถ้าหากไม่มีเครื่องมือคือกายก็จะได้แต่รู้อยู่เฉยเฉย ไม่มีอาการแห่งความคิดใดๆและจะเพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักดีไม่รู้จกั ก, จ ก, จกชั่วแต่จะรู้ผิดถูกชอบชั่วดีก็เพราะอาศัยสติเป็นตัวการสาคัญ าหากว่าจิตรวงนี้มีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆกายไม่มีมีแต่รู้ความนึกคิดก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นกราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ความสุขเกิดขึ้นที่กายจิตย่อมรู้ความทุกข์เกิดขึ้นที่กายจิตย่อมรู้ อะไรอะไรมาสัมผัสที่กายจิตก็ย่อมรู้ <c oughs> ละกายเป็นสถานที่รู้ของจิตเป็นสิ่งซึ่งอาศัยติดต่อกับโลกภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนกาย เรากำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอะไรผ่านตาจิตก็รู้ผ่านหูจิตก็รู้ผ่านจมูกจิตก็รู้ผ่านลิ้นจิตก็รู้ผ่านคือสัมกะสัมผัสกายจิตก็รู้รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ อ่านผู้ฟังลองพิจารณาดูและตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสําคัญสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังยึดกัดอยู่นั่นเองยังไม่แยกจากกันสุสุสเกิดที่กายพกเกิดที่กาย เ, ยเฉยเฉยเกิดที่กลายที่กายจิตก็ย่อมรู้อยู่ตลอดเวลา รู้โดยไม่ได้ตั้งใจแม้แต่วิตกวิจารปีติสุขซึ่งเกิดจากสมาธิโู้ปฏิบัติจะรู้สึกได้ต่อเมื่อกายยังมีอยู่ตอนนี้กำหนดดูให้ดี <c oughs> วิตกวิจารณปีติสุขเป็นสิ่งที่เกิดที่กายแล้วก็จิตเป็นผู้รับรู้ถ้าหากผู้ทำสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานคือมีวิตกวิจารณ์ปีติสุข เมื่อจิตสงบเริ่มสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปเลยขั้นปฐมฌานวิตกวิจารณ์ก็จะหายไปจิตสเสวบปีติแหล่ความสุขในสมาธิเมื่อจิตละเอียดเข้าไปปีติหายไปเพราะกายละเอียด จิตก็ละเอียดไปด้วยเมื่อจิตละเอียดจริงๆกายหายไปจากความรู้สึกสุขก็หายไปยังเหลือจิตเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมสุขไม่ปรากฏทุกข์ไม่ปรากฏ ยินดีไม่มียินร้ายไม่มีดีใจเสียใจไม่มีมีแต่จิตเป็นหนึ่งนิ่งเด่นกลายเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่จิตดวงเดียวล้วนล้วนร่างกายหายไปหมดโลกคือพื้นแผ่นดินก็หายไปหมด ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวอยู่กับความสว่างสวัยถ้าทำสมาธิให้ได้ถึงขั้นนี้ <c oughs> เราจะรู้ได้ทันทีว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมีเพราะเรามีกายมีศกวิจารปีติสุข มีอยู่เพราะกายยังปรากฏอยู่ในขณะที่มีสมาธิเมื่อกายหายขาดไปแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวายรู้ตื่นเบิกบานมีตกวิจารณ์ปีสิสุก็หายไปหมดยังเหลือแต่เอกทตาอุเบขา จิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจะตุถาฌานเป็นฌานที่สี่ ทานที่สี่แม่ตัวหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวแต่จิตดวงนี้ก็ยังยึดความสว่างของจิตนั้นเป็นอารมณ์ความสว่างของจิตก็คือรูปท่านจึงสงเคราะห์ทานขัานนี้ว่าเป็นรูปทานนี่พึงสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองอย่างนี้ การที่เราจะแยกอารมณ์กับจิตหรือแยกกายกับจิตออกจากกันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก <c oughs> ถ้าหากว่าสมาธิไม่เกิดหรือฌานไม่ังเกิดขึ้นเราจะพยายามแยกอย่างไรมันก็แยกไม่ได้ ความคิดความพิจารณาที่จะแยกกายกับจิตออกจากกันนั้น <c oughs> <c oughs> มันเป็นอุบายวิธีที่ให้นักปฏิบัติพิจารณาแต่เมื่อมันจะแยกจากกันได้จริงๆสมาธิย่อมบงังเกิดขึ้น เมื่อสมาธิบางเกิดขึ้นแล้วจิตสงบประเเอดดำเนินไปตามขั้นของฌานในเมื่อจิตไปถึงฌานขั้นที่สี่เมื่อไรกายกับจิตก็แยกออกจากกันได้คือกายไม่ปรากฏมีแต่จิตเป็นดวงใสสว่างรู้ตื่นเบิกบานอยู่เท่านั้น และอีกอย่างหนึ่งเมื่อทุกขเวทนาบาังเกิดขึ้นเช่นดังสมาธินา น, น, านมันเกิดเหน็บเกิดชาเกิดปว ด, ดเกิดเมื่อยเราจะไประงับความเจ็บปวดหรือความเมื่อยอันนั้นไม่ได้แต่ควรจะได้กำหนดรู้สิ่งนั้นว่าเป็นอารมณ์จิต เมื่อมันปวดก็กำหนดดูมันอยู่นั่นเมื่อมันเมื่อยก็กำหนดรูดูมันอยู่นั่นการกำหนดรูเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าจิตไปกำหนดรูอยู่ที่ตรงนี้และสติตั้งมั่นกำหนดรูอยู่ที่เวทนา พาจิตยึดเอาเวทนาเป็นอารมณ์สติกำนดตั้งมั่นอยู่ที่เวทนามันก็เป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อความเจ็บปวดมันบังเกิดขึ้นความเหนื่อยหนายความฟุ้งซ่านลำคาญความวิกิกิดหาหลังเลมันบังเกิดขึ้น มันก็เป็นนิวรณ์เมื่อจิตกำหนดรู้นิวรณ์มันก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจิตไปกำหนดอารมณ์ที่เป็นกุศลอกุศลมันก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจิตกำหนดรู้จิตและรู้ความคิดที่เกิดดับอยู่ที่จิต สติตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเราตั้งใจกำหนดรู้จิตของเรากายยังปรากดอยู่จิตก็รู้ว่ากายมีอยู่แล้วสติตั้งมั่นอยู่ที่กายก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์บังเกิดขึ้นที่กายถ้าจิตกำหนดรู้เวทนาก็เรียกว่าเวทนาสติปัฏฐานในเมื่อจิตไปกำหนดรู้จิตรู้อยู่ที่จิตก็ดีรู้อารมณ์ของจิตที่เกิดดับก็ดีก็เรียกว่าจิตตานุปษษัฏฐาน รู้จิตกำหนดรู้จิตเฉยๆอยู่ก็เรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าจิตกำหนดอารมณ์จิตที่เกิดจับอยู่จะเป็นอะไรก็ได้ก็เรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเพราะความรู้ความคิดเป็นธรรมอารมณ์กำหนดรู้เอาง่ายๆอย่างนี้ไม่ดีหรือ เราจะนั่นในขณะนี้ที่ท่านทั้งหลายกำหนดจิตฟังธรรมอยู่กำหนดรู้จิตอยู่ท่านอาจจะคิดว่าท่านยังไม่ได้นำะทำสมาธิ <c oughs> การทำสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึก จะเป็นอะไรก็ได้เช่นอย่างเราสวดมนต์อย่างที่สวดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เมื่อเรามีสติกาหนดรู้คำสวดมนต์ทุกคำที่เราเปล่งวาจาออกไปก็เป็นการฝึกสมาธิบางทีเราสวดมนต์ทำวัต สวดไปสวดไปจิตมันไม่อยากสวดมันหยุดหยุดแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอันนั้นก็คือฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำพูดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทางนั้น ดังนั้นอารมณ์ของจิต ท, ที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเที่วว่าเป็นอารมณ์จิตก็เพราะเหตุว่าเดินได้จิตเป็นผู้สั่งการนั่งได้จิตเป็นผู้สั่งนอนได้จิตเป็นผู้สั่ง เราจะทำอะไรอะไรจิตปาฏิาริได้จิตเป็นผู้สั่งทั้งนั้นในเมื่อจิตสั่งการอะไรลงไปให้เราทำเราพูดเราคิดเรามีสติทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้จุว่าเป็นการฝึกสมาธิอันนี้เป็นการฝึกสมาธิโดยไม่เลือกการไม่เลือกเวลา ฝึกสมาธินอกวิธีการถ้าเราไหว้พระสวดมนต์นั่งขัดสมาธิกำหนดจิตบริกรรมภาวนาพูดโทกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรียกว่าปฏิบัติสมาธิตามวิธีการ นั่งสมาธิก็ปฏิบัติสมาธิตามวิธีการเดินจงกรมก็ปฏิบัติสมาธิตามวิธีกา ร, น, กกาาการนอนศีหาสายญาติกำนดผิดบริกรรมภาวนาก็ปฏิบัติสมาธิตามวิธีการหรือการพิจารณาอะไรในท่าเยินเดินนั่งนอน ก็เป็นการปฏิบัติสมาธิตามวิธีการนอกจากวิธีการแล้วเราสามารถทำสมาธิได้ทุกลมหายใจ <c oughs> ด้วยการกาหนดจิตให้มีสติรู้อยู่ที่จิตเท่านั้นครูบาอจารย์บางท่านท่านเตือนว่าอย่าไปเอาอย่างอื่นให้กาหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียว บาปมันเกิดที่จิตบุญเกิดที่จิตดีเกิดที่จิตชั่วเกิดที่จิตเพราะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นประธานสําเร็จแล้วที่จิตเมื่อเรากําหนดเอาตัวจิตซึ่งเป็นได้เราก็สามารถที่จะรูวหมดทุกสิ่งทุกอย่างในการที่ กายวาจาแสดงออกหรือโลสิ่งอื่นๆซึ่งมีความละเอียดยิ่งกว่านั้นในนี้บางท่านเคยนำปัญหามาถามว่าเ <c oughs> มื่อก่อนนี้จิตสงบเป็นสมาธิเป็นอย่างดี สงบละเอียดจนกระทั่งถึงอัปนาสมาธิถึงขั้นที่ตัวหายแต่มาภายหลังนี่จิตมันไม่สงบมันมีแต่ความคิดมันมีแต่ความคิดมีแต่ความรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นมันก็เห็นมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติจนรั้งไม่อยู่ อยากจะให้มันสงบเข้าไปนิ่งอย่างที่มันเคยมามันไม่ยอมถ้ายิ่งเราไป ค, มค่มขูไปบังคับมันก็ยิ่งฟุ้งไปใหญ่ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติของการฝึกสมาธิ <c oughs> ในเมื่อสมาธิบางเกิดขึ้นแล้วจิต ท, ที่มีพลังงานสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิมันก็ย่อมบางบันดาลให้เกิดภูมิความรู้ภูมิความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละมันเป็นวิตกเมื่อสติรู้พร้อมอยู่มันเป็นวิจาร มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปมัวแต่จะบังคับให้มันเข้าไปสู่สกบอย่างที่เคยมันไปฝืนธรรมชาติของสมาธิ <c oughs> ในเมื่อไปฝืนธรรมชาติของมันจะไปบังคับมันมันก็ดิ้นเพราะมันฝืนธรรมชาติ มันจะเหมือนเหมือนกันกันกบคนเรานอนเวลานอนลงไปมีอาการเคลิ้มเลิมกำลังจะหลับมีใครมาทำให้ตื่นมันตกใจแล้วก็ทำให้รู้สึกไม่สบายจิตเวลาจะเข้าสู่สมาธิมีอาการเคลิ้มเลิมเหมือนกับง่วงนอนกำลังก้าวเข้าไปกำลังจะเกิดสว่าง มีใครมาทำเสียงให้ดังทุกตั้บขึ้นมาตกใจปวดหัวใจขึ้นมาทันทีในธรรมนองเดียวกันเมื่อสมาธิดีแล้วมันเกิดปัญญาคือความคิด <c oughs> ความคิดเนี่ยมันคิดขึ้นขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเอง แล้วก็มีสติรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่มีความรู้ความคิดบางเกิดขึ้นความคิดที่มีสติตามฐานรู้อยู่ตลอดเวลามันกลายเป็นปัญญาในสมาธิถ้าจิตของท่านผู้ใดเป็นอย่างนี้ <c oughs> ลองปล่อยให้มันเป็นไป อย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันถ้าว่าปล่อยให้เป็นไปแล้วเรากำหนดสติตามรู้ไปถ้าพลังแห่งปัญญามันยังไม่แก่ไม่แก่กล้าพอกำหนดรู้ปั๊บมันจะหยุดทันที เมื่อมันหยดเราก็ปล่อยให้มันหยุดอยู่อย่างนั้นแล้วสักประเดี๋ยวมันจะคิดขึ้นมาให้กำหนดรู้ทันทีถ้าเรากำหนดรู้ความคิดมันเกิดว่างก็กำหนดรู้ที่ว่างมันคิดกำหนดรู้ที่คิดจนกระทั่งเราตั้งใจกำหนดก็ตามไม่ตั้งใจกำหนดก็ตาม ความรู้ความคิดมันบังเกิดขึ้นแล้วสติก็ตามรู้โดยอัตโนมัติซึ่งรู้สึกว่าความคิดเราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดสติตัวตามรู้เราก็ไม่ได้ตั้งใจจิตสติและความคิดมันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตเดียวมันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องของมันเรื่องที่มันจะคิดนั่นคืออะไรสารพัดจีปาถาที่มันจะนำมาคิดมันอาจจะคิดเรื่องโลกคิดเรื่องธรรมคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอกุศลอกุศลบางทีมันอาจจะคิดถึงเรื่องพยบาทอาฆาตเทียดแค้นกันก็ให้มีสติกาหนดรู้มันอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ถ้าเราปล่อยให้มันคิดไปมีสติกำหนดตามรู้ไปหนักๆเข้าเราจะรู้สึกว่าความคิดมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นสติตัวตามรู้มันก็จะเด่นขึ้นคือมันรู้ทันกันคิดไปรู้สึกว่ามันมีความเพลิดเลลินในความคิด บางทีรู้สึกว่ามันไกลห่างตัวออกไปห่างออกไปแล้วเกิดความวิเวกวังเวงเหมือนกับเราเดินไปในป่าเปลี่ยวๆคนเดียวมีลักษณะเหมือนเหมือนกับว่าทั้งกลัวทั้งกล้าแล้วจะปรากฏว่ากายเบาจิตเบากายสงบ จิตก็สงบกายเบาเหมือนเมือนกับว่าเราลอยอยู่บนอากาศบางทีเหมือนเหมือนกับตัวลอยเรี่วเรีวรรวไปเกิดตกใจพุบสะดุ้งตื่นบางทีมันเกิดขึ้นในขณะนอนพอมีอาการเคลิ้มเคลิเหมือนจะหลับ พอเรากำหนดสติรล้อยู่มันมีลักษณะเหมือนกับตัวลอยไปในอากาศแล้วก็สะดุ้งตกใจตื่นทีนี้ถ้าหากว่าไม่สะดุ้งตกใจตื่นกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายเบากายสงบมีลักษณะอย่างไร รู้สึกว่าเบาสบายปลอดโปร่งหายทุกหายเดือดร้อนรำคาญพ่อกกยเวทนาต่างๆทุกขเวทนาหายไปหมดหายปวดหายเมื่อยหายมึนหายชาตามแข้งตามขามันหายไปหมดกายเบา กายสงบได้กายวิเวกจิตเบาจิตสงบหมายถึงจิตเป็นปกติไม่อึดอัดพุ่งส่้านลำคาญนิวรห้าหายไปหมดมีแต่ปีติและความสุขเป็นพักษาหารยังจิตให้นิ่ง กำหนดรู้อารมณ์จิตที่เกิดดับคือความคิดอยู่ในปัจจุบันเมื่อปีติและความสุขบังเกิดขึ้นความรู้ความคิดยิ่งเกิดเร็วขึ้นสติก็ว่องไวทันการในที่สุดเจิตก็เก้าเข้าไปสู่ความสงบนิ่ง หนึ่งจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเหลืออยู่เหมือน ก, นกันกับที่บริกรรมภาวนาถ้าท่านจะค้องใจว่าเมื่อจิตมันคิดปล่อยให้มันคิดไปมันจะไม่ฟุ้งใหญ่หรืออันนี้มีคนคัดค้านมีคนทักท้วงปล่อยให้มันคิดไปมันก็ฟุ้ง ขอยืนยันว่ามันฟุง้งแต่ถ้ามันฟุ้งไปมีสติกำหนดรู้ทันอยู่คคดแล้วมีแต่ปล่อยวางคิดแล้วมีแต่ปล่อยวา ง, วมวางไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเมื่อจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมไม่ยินดีไม่ยินร้าย ความพุ่งส่้นลำคาญมันจะเกิดมาจากไหนมันก็มีแต่ความสงบแปลกิจตมีความคิดจูทำไมว่ามันสงบต้องกำหนดแต่สังเกตดูให้ดีความสงบของจิตนั้นมันมีสองอย่างใครเคยแปลธรรมบทบ้างไหม ่านมหาทั้งหลายนี่แปลธรรมบทกันมาจํำได้ไหมในเรื่องราทะพปรามในเรื่องราท่าปรามตอนแก้หัตถกถานั้นว่าฌานมีอยู่สองอย่างหนึ่งอารัมมณูปนิธิฌานฌานคือสมาธิที่ไปรู้โยนเพียงสิ่งสิ่งเดียว จิตสงบนิ่งรู้ทท่จติดรู้อยู่ในจิตเพียงอย่างเดียวความรู้อื่นคือความคิดไม่เกิดขึ้นเป็นจิตสมถะเป็นสมาธิในฌานสมาบัติเรียกว่าอารัมมณูปนิธฐานแล้วอีกอันหนึ่งลักคนูปนิธฐานหมายถึงทานในอริยมรรค ทานในอริยมรรคเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเพียงนิดหน่อยความรู้ความคิดมันจะบังเกิดขึ้นโพดโพดโพดโดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุทำให้ผู้ภาวนาเข้าใจผิดว่าจิตฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงมันเป็นความรู้ความคิดอ่านเกิดขึ้นมาจากพลังของสมาธิและพลังสติ <c oughs> ที่เราฝึกฝนดีแล้วนั่นเองจิตสงบแต่มีความคิดความรู้บังเกิดขึ้นแต่จิตเป็นกลางไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความสบายเบา บางครั้งรู้สึกว่าจิตสว่างสวัยไปตั้งเด่นอยู่ในทถ้ำกลางแห่งอารมณ์คือความคิดที่บางเกิดขึ้นคล้ายๆกับว่าอารมณ์ก็เป็นอันหนึ่งจิตก็เป็นอันหนึ่งอารมณ์วิ่งเข้ามาสู่จิตอารมณ์นั้นๆก็ตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟอันนี้เรียกว่าลักคนูปนิฐาน ที <c oughs> นี้การที่เราปล่อยให้จิตมันเกิดความรู้ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นมันจะเป็นการเดินทางผิดหรือเป็นการเดินทางถูกขอฝากให้นักภาวนาทั้งหลายจำเอาไว้พิจารณาเป็นการบ้าน ถ้าหากว่าในขณะใดที่จิตมันมีสมาธิเข้มแข็งมันจะเกิดปัญญาแล้วมันก็เกิดความรู้ความคิดขึ้นมาถ้าท่านไปเข้าใจผิดว่าจิตของท่านฟุ้งซ่านประเดี๋ยวท่านจะเบื่อหน่ายต่อการภาวนา <c oughs> หลวงปู่เสาซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราท่านพูดเสมอว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิด พอไปถามท่านเข้าจริงๆที่เป็นเช่นนั้นจิตฟุ้งสร้นโภมเจตเสื่อมหรือเป็นอย่างไรท่านก็ให้คำตอบว่าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้แล้วทีนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายย้อนไปพิจารณาตรงที่ว่า สี่และปริภาวิตโตสมาธิมหาสมาธิมหาปโลโหติมหานิสังสูสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาพิตังจิตตังส ม, มะเดวอัสเวหิวิมุตติเศนอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิต โดยปกติแล้วผู้มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีทำสมาธิสมาธิเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยปัญญาย่อมบังเกิดขึ้น <c oughs> ทีนี้ปัญญาที่บังเกิดขึ้นนั่นคืออะไรก็คือความคิดนั่นเอง บางทีมันรู้สึกว่ามันผุดขึ้นมาจากส่วนลึกๆของจิตโนดสิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็ผุดขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นมันก็ผุดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ผุดขึ้นมาอย่างธรรมดาซะด้วยมันผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันไม่ขาดสายอันนี้แหละคือปัญญามันเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์จิตแล้วก็เป็นเครื่องอบรมจิต ทำไม่จึงว่าเป็นเครื่องอบรมจิตก็เพราะเหตุว่าความคิดอันนี้มันเป็นอาหารของจิตความคิดอันนี้มันเป็นการบริหารจิตความคิดอันนี้เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตความคิดอันนี้ เป็นสภาวะเป็นเครื่องหมายให้ผู้ภาวนากำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อชาคราคราวใดสติอ่อนอวิชชาเข้าครอบงำจิตความเคียดเกิดขึ้นจิตตัวนี้ไปยึด พอเยอดแล้วก็เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายความยินดีมันกลายเป็นกามตัณหาความยินร้ายกลายเป็นวิภาวะตัณหาเมื่อไปเยอดตักับสิ่งเหล่านั้นสร้างปัญหาขึ้นมาบันทึกคืออะไรเจตมันก็ปรุงแต่งเพราะมันอยากรู้อยากเห็น มันปลุงมันแต่งเพราอยากรู้อยากเห็นกำหนดสติตามรู้มันไปแล้วเราจะมองเห็นทุกเสื่อมันเกิดขึ้นในจิตเพราะอาศัยความยินดีอาศัยความยินร้ายความยินดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขความยินร้ายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์เมื่อไปยึดจูกับสิ่งนั้นความทุกข์มันพอยิ่งเพิ่มขึ้น เมื่อทุกข์มาปรารกฏผู้มีภาวนามีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดดับอยู่ภายในจิตประเดี๋ยวก็ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อรู้แล้วทุกข์มันก็หาได้ดับไปไม่ผู้มีพลังแห่งสมาธิมีพลังแห่งสติเข้มแข็ง สามารถกิจกรรมหนดโลภ ท, ที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีปัญญารู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไป ก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั่นดับไปเป็นธรรมดาทีนี้นักภาวนาทั้งหลายที่มีประสบการณ์น้อยไปมัวยึดอยู่ตั้งแต่วิธีการก็ติดแหกอยู่ที่ตรงนั่นแหละเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิไปติดสมาธิมันก็แหกอยู่ที่ตรงนั่นแหละ ถ้าจเจตมีภูมิความรู้บางเกิดขึ้นไปหลงความรู้ของตนเองมันก็ติดอยู่แค่นั้นวิธีการแก้ความเข้าใจผิดเราจะทำอย่างไรพอเรามีสมาธิปัญญามันบางเกิดขึ้นปัญญามันบางเกิดหลายอย่างอย่างหนึ่งมันเกิดเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาซึ่งเรียกว่านิมิต อย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเพียงแต่ความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าปัญญามันเกิดทีนี้ในเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะกำหนดเอาอย่างไรมันจึงจะไม่หลงกำหนดเอาอย่างนี้สิมันจะง่ายดี ถ้าเป็นเรื่องของจิตก็กำหนดเพียงแค่ว่าจิตมีความคิดจิตมีความรู้ถ้าจิตเห็นนิมิตรู้นิมิตก็กำหนดเพียงแค่ว่าเป็นอารมณ์ของจิตสิ่งที่จิตคิดหรือ ส, สัมผัสรู้เป็นเรื่องอะไรอย่าไปสนใจ โรู้แต่เพียงแค่ว่าจิตมันไหวตัวเกิดความคิดความรู้ขึ้นมาเท่านั้นไม่ต้องไปตั้งปัญหาคล้องใจขึ้นมาว่านี่คืออะไรเพียงจะกําหนดรู้จิตยอยู่เฉยๆอยู่เท่านั้นความคิดเป็นเรื่องที่จิตเขาสร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมา ในเมื่อเรากําหนดรู้จิตดูใจเฉยจิตรู้อะไรเห็นอะไรยึดอะไรปล่อยวางอะไรปัญญาเราก็จะรู้เองจิตเขาจะรู้ของเขาเองไม่ต้องไปวิภากพิจารณ์ไม่ต้องไปวิจัยอะไรทั้งนั้นดูปัจจุบันที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่เท่านั้น อา้าวถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ตั้งใจพิจารณามันจะไปรู้ไปเห็นอะไรจริงจังขึ้นมาได้อันนั้นเป็นการเข้าใจจิตนักปฏิบัติตัง้งหลายในมาจิตมันกำลังเกิดภูมิความรู้มันอาศัยพลังของสมาธิแต่เมื่อตัวกิเลสมันวิ่งเข้ามาตัดตอนว่านี่คืออะไรแล้วไปตั้งใจค้นคว้าหาคาตอบ พอตั้งใจขึ้นมาปั๊บสมาธิมันถอ น, นทันทีถ้าจะตั้งใจพิจรารณามันก็เพียงแค่แบบความคิดถ้าหากความคิดอันนี้ไม่ช่วยให้จิตสงบเป็นสมาธิในระดับเดิมอีกคําตอบมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะป้องกัน ร, รักษาไม่ให้จิตของเราเข้าใจผิด ให้กาหนดเพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกสิ่งนั้นคืออะไรอย่าไปสนใจให้ทำเหมือนกับว่าเวลาเรานั่งหลับตาอยู่มีสิ่งมาสัมผัสผูกกายของเราเรากาหนดหมายรู้เพียงแค่ว่ามีสิ่งสัมผัสสิ่งนั้นคืออะไรไม่ต้องสนใจ ในทํานองเดียวกันจิตที่มันเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะรู้จะคิดก็ให้กําหนดรู้เพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเท่านั้นสิ่งนั้นคืออะไรไม่ต้องไปสนใจแล้วเมื่อเรากําหนดรู้ของเราอยู่อย่างนั้นจิตเขาจะรู้ของเขาเองเพราะสิ่งนี้เป็นงานที่เขาสร้างขึ้น ทีนี้การ <c oughs> การทําสมาธิตามแบบกําหนดลมหายใจเข้าออกโดยธรรมชาติพอดีหรือการกําหนดโลอารมณ์จิตที่มันเกิดดับโดยธรรมชาติพอดีอันนี้เรียกว่าการฝึกสมาธิตามแบบของธรรมชาติแผ่นคายสิตศีรถะ สเสด็จออกทรงประวลดแล้วไปบำเพ็ญสมาธิอยู่ในสำนักของดาบ ท, ทั้งสองเมื่อออกสเสด็จออกจากสำนักของดาบ ท, ทั้งสองก็ไปเที่ยวสแสวงหาปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองตลอดเวลาหกปีพระองค์ก็ไม่ประสบกับความสำเร็จ ตลอดเวลาหกปีนั้นพระองค์บำเพ็ญสมาธิ่ดวยวิธีการตกแต่งจิตคมจิตคมอารมณ์ทรมานร่างกายโดวยวิธีการต่างๆจนพระวรกายสู้ผอมกลายเป็นอัตตากิลมัทฐานุโยค <c oughs> เต็นอุปสารคต่อการตรัสรู้พระองค์จึงไม่ได้ตรัสรู้ เมื่อพระองค์บำเพ็ญเพียรจนสุดความสามารถแล้วพระองค์ตั้งใจจะบำเพ็ญเพียรตามแบบใหม่เท่าที่พระองค์สามารถที่จะคิดได้ก็มาสวยข้ามัทโธปายาทข อ, องนางสุทธาดาบำรุงพระบรกายให้มีพระกำลังมีเรี่ยวแรง แล้วก็ตั้งพระไทยอธิษฐานจิตปฏิบัติสมาธิอยู่ใต้ตนโพโพตนนั้นอยู่ที่พุทธกยาไมจิโพ oh ในวัดอโศการามในเมื่อพระองค์มาคำานึงว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรหนออติตารมะนังอารมณ์ในอดีตก็ปรากฏขึ้น อารมณ์ในอดีตคืออะไรอารมณ์ในอดีตคือสมัยที่พระพิดาทรรมพิธีแลกนาฝันพระพิเลียงนางนมภูก พ, พระอูให้พระองค์บันทมอยู่ใต้ตนว่าในขณะที่พระพีเลียงนางนมกำลังพเพลิดเพลินอยู่กับการดูกีฬาหรือการพิธีแลกนาฝันถอดทิ้งพระองค์ให้อยู่ลำพังแต่พระองค์เดียว โดยสรรชาตญาณแห่งพุทธบารมีมากระตุ้นเตือนให้พระพุมมซึ่งทรงพระเย้ายางตัวเล็กๆลุกขึกก้นมากำหนดจิตนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ได้บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุเอกัคขตาพอพระองค์นึกมาถึงตอนนี้จึงได้ความบ่อ การทำสมาธิที่ได้จะได้ตรัสรู้นี่มันต้องอาศัยสมาธิตามแบบของธรรมชาติสมาธิตามแบบของธรรมชาตินั่นคืออะไรจิตเป็นภาตุรู้โดยธรรมชาติรู้สึกรู้นึกรู้คิดในเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงกำหนดเอาลมหายใจเอาจิตกับลมหายใจ ธรรมชาติสองอย่างนี้มาสัมผัสกันโดยที่พระองค์กำหนดสติควบคุมให้จิตกำหนดรลดอยู่ที่ลมหายใจกำหนดโูลมหายใจเฉยๆไม่ได้ไปแต่งให้มันเป็นอย่างนี้แต่งเป็นอย่างนั้นลมหายใจจหยาบเป็นเรื่องของลมหายใจจิตจจหยากเป็นเรื่องของจิต จจลมหายใจจัจกกลางกลางก็เป็นเรื่องของลมหายใจจิตจลางกลางก็เป็นเรื่องของลมหายใจลมหายใจละเอียดเป็นเรื่องของลมจิตละเอียดเป็นเรื่องของลมเอาของจิตนาทีพระองค์เพียงแค่กําหนดสติดูมั่นอยู่เท่านั้นดูมันคือดูอะไรดูจิตกับลมหายใจมันสัมผัสกันอยู่อย่างนั้นแล้วในที่สโสจิตก็ไปตั้ง สติก็ไปตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจสติไปตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะเรื่องลมหายใจมันเกี่ยวเนื่องด้วยกายเมื beloved, ่อจิตไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจมันก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน จนกระทั่งจิตของพระองค์ได้วิตกวิจารณปีติสุเกกคาตาก็ได้บรรลุปฐมมาชานเหมือนกับเจ้าเด็กน้อยที่นอนอยู่ในอุ่เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ตามรู้อารมณ์จิตเรื่อยไปจนกระทั่งจิตสงบละเอียดเดินไปตามขั้นแห่งทานละวิตกวิจารณเหลือแต่ปีติสุขเกกคาตาอยู่ในฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ ในมาจิตดำเนินไปสูทานที่สี่นี่จิตกระโดดขึ้นไปขั้นอากาสานัญจายัตณะไปลอยเวพงฟ้างอยู่ทั่วขนาดหนึ่งแล้วก็สำรวมไปเองเข้าไปรู้อยู่ที่วิญญาณกำหนดวิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือวิญญาณแปลวรู้เกือบจะวรู้นี่มันหายขาดศู์ไปเลยแต่ก็ยังเหลืออยู่ ตอนนี้เวทนาสัญญาดับไปหมดยังเหลือแต่สัญญาอยังเหลือแต่จิตวิญญาณู้อันละเอียดอย่างเดียวเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาเวทยิตานิโรธ เ, เป็นฐานที่สร้างพลังจิตเพื่อกระโดดข้ามโลกไปสู่โลกุตละเมื่อจิตวิญญาณดวงเดียวที่ตัวเล็กๆไปยั้งอยู่นั่นพอสมควรแล้วก็เบ่งบานออกมา จิตของพระองค์ท่านกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในวาระที่สองปรากฏเป็นดวงจิต ท, ที่รวงกลมใสลอยเด่นอยู่บ น, ใ น, ใ, นในบนท้องฟ้าเหมือนเหมือนอย่างนั้นแล้วก็แผ่รัศมีมาคลุมจั ก, กรวาลทั้งหมดโลมองเห็นจนกระทั่งอเวจีมหานรกสูงสุดจดพรหมโลกท่านอากติฐาพรหม โดยรอบจดขอบเขตแห่งจั ก, กรวาลมองเห็นผืนแผ่นดินต้นไม้ภูเขาเหล่ากาคนสัตว์ผู้ถีปีศาเทวดาอินพรมยมยักษ์มองทะลุจนกระทั่งพิภพปญญาหนาักกลายเป็นโลกวิฑูผู้รู้แจ้งสึงโลกสว่างสวัยครอบจั ก, กรวาลไปหมด ในตอนนี้ดวงจิตของพระองค์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจั ก, กรวาล น, นี้แต่เมื่อมองเห็นแล้วรู้อยู่เฉยๆเห็นแผ่นดินก็ไม่ว่าแผ่นดินเห็นต้นไม้ไม่ว่าแผ่นต้นไม้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งรู้อยู่เฉยๆแต่ว่าในส่วนเลือกของพระไทยคือจิตของพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่าง แต่ในขณะนั้นรู้เห็นอย่างไม่พูดไม่จาทำไมจึงไม่พูดไม่จาเพราะไม่มีเครื่องมือคือกายมันหายไปแล้วจิตดวงนี้คิดไม่เป็นมีแต่รู้อยู่เฉยๆแต่ว่ามันรู้ซึ่งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเข้าใจว่าพระองค์ตรัสสรู้ในตอนนี้คือตรัสรู้ในขณะจิตเดียวในปฐมมยาม แต่เมื่อรู้แจ้งเห็นชัดแล้วจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิพอสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นนิมิต ท, ทั้งหลายเหล่านั้นหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตสัมพันธ์กันอยู่ทีนี้ไอ้เจ้าจิตดวงนี้ก็จะอธิบายให้ตัวเองฟังชดชดชดชด ช, อ, ดช อ, ดอธิบายเรื่องปุเพนิวาสานุติียานจบลงในปฐมมายามอธิบายเรื่องตูตูปปะจีาาาจยาณ กรรมสกตายานจบลงในปัจในมัธทิมายามอธิบายหรือพิจารณาเรื่องอาสวัคยายานจบลงในปัจจิมายามแล้วเราจึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในปัจจิมายามแห่งราตรีแต่เข้าใจว่าปรทมมยามก็ดีมัธทิมายามก็ดีปัจจิมายามก็ดี เจตของพระองค์มาพิจารณาสิ่งที่รู้แล้วเนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นเธอมาพิจารณาหาสมมติบัญญัติให้มันตรงกับภาษาของโลกเพราะรู้อยู่ในขณะขั้นโล ก, กุตระมันไม่มันเป็นสัจจะไม่มีสมมติบัญญัติเพียงจะรู้แต่เห็นอยู่เฉยๆพอจิตถอนออกมาจากสมาธิสัมผัสว่ามีกายปับ๊บมันก็เข้ามาสู่โลกนี้เรียกว่าโลกี ในจิตตลวงนี้ก็มาพิจารณาธรรมที่รู้เห็นนั้นตั้งแต่ผสมมยามจนกระทั่งถึงปัจเิมยามสว่างแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่แน่พระไทนักยังอุาสาไปนั่งพิจารณาปฏิจจสมุปาดูที่ล่มโพอ่าว่าเทลมไม้ราชายตนะตลอดเจ็ดวัน ทางนี้ทางนั้นก็เป็นการพบทวนวิทาที่พระองค์ได้ตรัสสรุแล้วในขนาดจิตเดียวนั่นเองเพื่อจะขยายความออกไปให้มันเกิดปัญญาแบบโลกีบังโลกุตระบังเพราะฉะนั้นท่านชายสิทธัตถะจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะอาศัยจิตอันเป็นธรรมชาติอารมณ์จิตก็เป็นธรรมชาติ เอาจิตไปกำหนดรู้ธรรมชาติกลมหายใจแล้วก็มีสติควบคุมจุกระท้่งจิตสงบละเอียดวิ่งก็ไปสู่ท้ำกลางของกายสงบอยู่ในท้ำกลางของกายแล้วก็แผ่แลัศมีสว่างสวัยไปทั่วกายรู้อวัยว ะ, วะน้อยใหญ่ทั้งหมดตั้งแต่ผมขนและปันหนังเป็นต้น แล้วก็กลายเป็นกายยกตาสติสูตรปัญญัดไว้ให้พวกเราที่เจรจาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ใ น, มนเมตเจตสงบละเอียดทิ้งกายแล้วก็ไปสงบนิ่งเด่นลอยเด่นอยู่เพียงรวงเดียวเท่านั้นก็มองเห็นโลกั่วอ่วนมดตั้งแต่อเวจีถึงฟรหมโลกโดยรอดจดขอบเขตแห่งจักรวาทลทะลุบาดาลถึงพีพอพยาดากลายเป็นโลกวิทู เกิดเป็นอิติปิโสแม่เพราะเหตุนี้พระกวาพระภูมิพระภาคเจ้าอารหังเป็นพระอระหัน์สัมมาสัมพุโทโธตรัตสูชอบได้โดยพระองค์เองวิทาจารณะสัมปโนโถึงพร้อมด้วยวิทาเจรณะโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกก็เป็นอาวาไรสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุเธเจ้าด้วยประการศนี ได้บรรยายธรรมะพอเป็นกติเตือนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายพอเห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาเจงขอยุติพระธรรมเทศนาลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้สิง่งใดผิดพลาดก็ฝากนัปราดไว้ช่วยพิจารณาได้ความอย่างไรมาแบ่งปันกันสำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วแบ่งกันชวนกันให้สำเร็จไปด้วยกัน ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนสาธมิกทั้งหลายจงสำเร็จสิ่งที่ตนปรารถนาคือความดับกิเลสสำเร็จพระนิพพานตามเยี่ยงอย่างของครูบาอาจารย์ผู้ได้สำเร็จมาแล้วโดยทั่วกันทุกท่านคืน